สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยวบินะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสิบเอ็ดเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่แปดสิบหกพี่น้องครับเช้าวันนี้เราได้อธิษฐานคําอธิษฐานของพระเยซูไปแล้วหรือยังครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพพงเข้าไปนการทดลองเรากําลังยอมรับการทรงนําของพระเจ้า ในการประทานชัยชนะแกเราในการทดลองด้านต่างๆพี่นะครับพระเจ้านั้นทรงคาดหวังมีน้ำพัดไทยและมีความประสงค์ที่จะให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ที่ได้บังเกิดใหม่ดำเนินชีวิตกับพระองค์เป็นสาวกของพระองค์นั้นมีชัยชนะเหนือการทดลองอย่างแน่นอนเราเองนั้นถูกคาดหวังจากพระเจ้า ให้มีชีวิตแห่งชัยชนะพระเจ้าประทานชัยชนะแก่เราในการทดลองด้านการดําเนินชีวิตศีลธรรมจริยธรรมการหลุดพ้นจากอํานาจของอํานาจของความบาปบางครั้งนะครับเมื่อเราสังเกตเราจะรู้ว่าการทดลองจะมาถึงคนที่เป็นเกษสเตียนใหม่สิ่งที่ดูเหมือนใหญ่มากครับ เขาจะสามารถชนะได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าต่อมาในภายหลังนั้นการทดสอบทดลองอย่างเดียวกันเนี่ยย้อนกลับมาหาเขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นเติบโตในที่นี้หมายถึงเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับและครั้งนี้การทดสอบทดลองในระดับเดียวกันขณะเดียวกันมันก็ไม่สามารถทำให้เราตกใจได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เสือกระดาษที่ ไม่มีฝันการทดสอบทดลองนั้นก็ไม่เหมาะกับความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตปัญญาของคนคนนั้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการทดสอบทดลองนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิน้นฉันใดฉันนั้นครับในทรรนองเดียวกันครับพี่น้องการทดสอบที่เหมาะกับความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตปัญญาณของเรานั้นในขณะเดียวกันมันอาจจะทําลายเราก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องขมักขม่นและหมั่นอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ก็คือขออย่านําข้าพระองเข้าไปในการทดลองที่ข้าพระองอาจจะพ่ายแพ้ได้ที่ข้าพระองอาจจะไม่มีชัยชนะพี่น้องครับการทดสอบที่เหมาะกับความเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝ่ายจิมยันของเรานั้นในภายหลังมันจะทําลายเราได้เมื่อเราเป็นผู้เชื่อใหม่แต่มันจะทําลายเราไม่ได้ นะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายจิตญญาแล้วพระเจ้านั้นทรงเปรียบเสมือนกับเป็นครูครับในชั้นป .1 น, นั้นเราถูกคาดหวังเราถูกทดสอบให้เขียนพยัญชนะ <c oughs> กอไก่เขาไข่ได้พอเราเรียนชั้นสูงขึ้นครับเราจะถูกทดสอบให้เขียนประโยคเขียนรายงานเมื่อเราเรียนมหาวิทยาลัย เราจะต้องถูกทดสอบให้เขียนวิทยานิพนธ์หรือวิจัยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สนับสนุนเหมือนกับว่าเป็นการฝึกฝนฝึกวิทยายุทธฝึกความสามารถทักษะเพื่อที่เราจะมีความเข้มแข็งอดทนต่อการทดสอบทดลองเพื่อที่เราจะ ผ่านการทดลองนั้นและเพื่อที่เราจะคอฟหรืมีคุณสมบัติเพียงพอเพื่อที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในชั้นเด็กกว่าเราพี่น้องครับ <c oughs> เมื่อเราอาธิษฐานว่าขออย่านํ า, า, น า, น า, า, านค่าพรงเข้าไปในการทดลองเป็นวิธีอธิษฐานว่าขอทรงนําค่าตรงเข้าไปในการทดลองเฉพาะที่ค่าพรง จะสามารถยืนหยัดและอดทนได้มีความหมายเช่นนั้นครับพระเจ้าที่ทรงรักเรานั้นจะให้การทดสอบทดลองที่เราสามารถผ่านได้เช่นเดียวกันกับคุณครูคุณครูที่รักเราพระเจ้าทรงรักเราครับพร่งทรงประทานทางออกสำหรับทุกๆ ก, การทดลองทางเลี้ยงทางหลบ เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนพี่น้องลองหลับตาสิครับและลองคิดถึงในอดีตในหลายๆครั้งที่เราได้ผ่านการทดลองผ่านการทดสอบมานะครับมีเหตุปัจจัยอะไรไหมครับที่ทำให้เราทั้งหลายผ่านได้ผมอาจจะบอกกับพี่น้องสัน้นๆว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างรครับหนึ่งก็คือการอธิษฐาน กลับไปสู่หลักการเบสิกเดิมๆครับก็คือการอธิษฐานสองคือการอ่านพระคัมภีร์การนำพระวจนะพระเจ้านั้นเข้ามาไ้าครวนในห้วงความคิดนะครับสามคือการคิดพิจรารณาหาเหตุผลหรือในขณะเดียวกันนั้นก็ยอมรับการทรงนำของพระเจ้าฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ โดยที่มีจิตใจนั้นโน้มนำโน้อมนำเชื่อฟังพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์และสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะประกอบกันครับเราอาจจะต้องสร้างวินญในชีวิตของเราและให้ชีวิตของเรานั้นมีการตรวจสอบจากพี่เลี้ยงของเราจากเพื่อนคือสเตียนจากผู้รับใช้พระเจ้าจากศีลวิบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นปัจจัย ที่ทำให้เรานั้นจะชนะการทดลองได้พระเจ้าทรงควบคุมขนาดของความเข้มข้นของการทดลองเมื่อเราอธิษฐานทาอธิษฐานนี้เมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่เราอาจจะสามารถรับมือกับการทดลองได้ทีละอย่างทีละอย่างนะครับแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็จะสามารถรับมือกับการทดลองทดสอบ หลายลายอย่างได้พร้อมๆกันครับนะครับอันนี้เปรียบเสมือนกับคนที่ฝึกเล่นกีฬานะครับแรกๆ ก, ก็ฝึกอย่างเดียวไปก่อนนะครับทักษะอย่างเดียวไปก่อนแต่พอระยะที่อยู่ในขั้นการพัฒนาก้าวหน้าเขาก็สามารถฝึกทักษะนะครับการเล่นกีฬาประเภทต่างๆนั้นในห ล, ลายลายทักษะพร้อมๆกันได้ นะครับพี่น้องครับให้เราคิดถึงคืนก่อนที่พระเยซูทรงสิ้นผระชนพระองค์อธิษฐานว่าไงครับพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อพวกเราพระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย อันนี้พบในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อสิบห้านะครับพี่น้องครับทําไมพระเยซูอธิษฐานเพื่อเราเช่นนี้ mm hmm. ก็เพราะว่ายังไงก็ตามครับ mm hmm. เมื่อพระเยซูเสด็จจากโลกนี้ไปแล้ว mm hmm. พวกเราครับที่อยู่ในโลกและเมื่อพวกเราอยู่ในโลกเราไม่สามารถออกจากโลกได้เว้นไว้จนถึงวันสุดท้ายที่เราเสิ้นลมหายใจ <c oughs> แต่การมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้นันี้นมีความเฉี่ยงครับ เมื่อมีความเสี่ยงเกิดอะไรขึ้นครับต้องการการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายป้องกันไว้ให้พ้นจากมารร้ายพี่รองครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพมงเข้าไปการทดลอ ง, ล ง, ลงเรากำลังอธิษฐานคำอธิษฐานเดียวกันกับพระเยซูครับเรากำลังอธิษฐานคาอธิษฐานเดียวกันกับพระเยซู นะครับที่พระเยซูเป็นมหาปูโรหิตที่ได้อธิษฐานเพื่อเราในเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจให้เรานั้นได้มีโอกาสนะครับห้ควรหรืออาจจะใช้ดินสอปากกากับกระดาษนั้นเขียนเขียนด้านต่างๆในชีวิตของเราที่ต้องการชัยชนะ <c oughs> ผมอยากจะหนุนใจที่น้องว่าหลายๆครั้งนั้นเราอาจจะพ่ายแพ้ต่อการต่อสู้ แต่ในที่สุดนั้นเราจะชนะสงคราม You may lose the battle but finally you may win the war หมายความว่าเราอาจจะพ่ายแพ้นะครับลัดกันแพ้แพ้ผลัดกันชนะแต่ในที่สุดนั้นสงครามใหญ่เราจะชนะครับพี่น้องครับอยากจะให้ใช้เวลานี้ในการไข้ครวน ว่าที่ผ่านมาในอดีตของเรานั้นมีสิ่งใดไหมครับที่เราได้ชนะการทดลองไปแล้วนะครับเมื่อเราคิดใครควรถอยหลังกลับไปสิ่งที่เราได้ทำเพื่อชนะการทดลองปัจจัยต่างๆแม้ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานการอานพระกัมภีหรือสิ่งต่างๆที่เราได้ทำเพื่อได้รับชัยชนะและความรู้สึกของเราเป็นไงครับเมื่อเราได้รับชัยชนะ เป็นความรู้สึกที่ริ่นโลดเป็นความดีใจเป็นความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับหรือมีความรู้สึกอื่นๆไหมครับ <c oughs> <c oughs> และรรธรรมธิฐานนี้เกิดผลอย่างไรในชีวิตของเราอาเมน